หลังจากทำมาเท่าก็ต้องมาอบรมกันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเราเปิดอบรมกันมาตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นเวลาห้าวันกับวันนี้แล้ววันที่ยี่สิบนึกว่า ทุกคนคงจะรู้ไม่มากกว่าน้อยการฟังทุกวันพยายามแนะนํากันให้เข้าใจในคำพูดคำหมาย <c oughs> คำพูดมันมากแต่วิธีทำมันน้อยเพื่อพูดให้เข้าใจเองเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ฟังเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแต่ก็พยายามทำให้ควรู้สึกตัวให้มาก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 อันที่มันยุ่งยากอยู่อย่างทุกวันนี้นะแก้ปัญหาคนอื่นมากไม่ค่อยแก้ปัญหาตัวเองมันเกิดความสับสนวุ้นวายยุ่งขึ้นมามันก็เลยทาให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราหรือพูดให้เราฟังมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปกันตั้งอยู่ก็แสดงว่า มันเป็นภาระหนะักอย่างที่เรายึดเราถือยึดศินก็หนะักยึดทานก็หนะักยึดภาวนาก็หนะักยึดอันใดก็หนะักทั้งนั้นตัวทำแล้วให้มันรู้ให้มันเข้าใจจิตใจมันนึกมันคิดแล้วก็ทานไปทานไปเราทําอย่างนั้นก็สบายขึ้นมาดังนั้นวันนี้จึงจัโพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนมาที่นี่ ได้ให้ทานแล้วได้รักษาศีลมาแล้วได้ทำสมถากรรมฐานมาแล้วได้เจริญวิปัสนามาแล้วแต่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้การให้ทานรักษาศีลทำสมถากรรมฐานวิปัสนาภาวนา น, นั่นดีแล้วถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองมีการขัดแย้งอยู่ภายใ น, ในใจิตใจตัวเองกอดเสือได้ประโยชน์น้อย หลวงพ่อเคยดูดูหนังสือแต่สไหมเป็นเนมการให้ทานจะเป็นสัตว์เดรัจฉานกอทานให้ทานเกิสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งพันผลไม่มีอนกสง์เข้ากับทานให้คนอันธพาลคนไม่มีศีล น, นะคนอันธพาลบางคนก็ไม่เข้าใจอย่างบางคนก็เข้าใจเป็นอย่างไนทานให้สัตว์เดรัจฉานนั้นพูดกับเราไม่ได้ มันพูดไม่เป็นมันไม่รู้ภาษากันที่ว่ามันได้ประโยชน์น้อยแม้คนอนุพานธ์ถึงจะไม่มีศินก็ตามมันยังพูดกันได้นี่ที่ว่ามันพูพูดกันได้ทีว่ามีอานิสงส์ดีกว่าให้สัตยเดรัจฉานบันไดทานให้คนอนุพานธ์น่ะ้อยข้างพันหนสู้ทานให้คนธรรมดาผู้ที่เป็นธรรมดาเนี่ยยังไ่ทันมีศินข้างเดียวไม่ได้แต่แม้เป็นคนอนุพานธ แต่ไม่รักษาศีลคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นสู้ทานให้คนธรรมดาธรรมดานี่ค้างเดียวไม่ได้เลยนะพราะคนนี้ไม่ได้พูดถึงอันดภานไม่ได้พูดถึงการซกกันต่อยเนี่ยเป็นไงบนันเททานให้คนธรรมดานี่แหละร้อยค้างพันหุนสู้ทานให้บุคคลผู้ที่ได้รักษาศีลคือเคยรักษาศีลเนี่ะค้างเดียวไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนนั้นไม่เคยพูดถึงศีลหนึ่นงธม พูดแต่ธรรมดาเรื่องการทำมาหากินไปอย่างนไงบันเ น, นพบกั บ, กบผู้มีศีลก็ตรงพูดเรื่องศีลบ้างเรื่องการปฏิบัติบ้างพูดไปมากๆไปดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็เช่นเดียวกันพูดให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดมาบ่อยๆอย่างบันเนททานให้คนผู้ที่มีศีลร้อยครั้งพัน 100, 000, 000, หนนไม่มีอนิสงส์เท่กับทานให้สมณเณรครั้งเดียว สมณีนัก็คืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่สมณีหรือส ม, มณะมันเป็นญาเป็นเหล่าเป็นก่อพูดเรื่องบวทเรื่องศึกประเจบผู้ไปอย่างนั้น uh huh. บั น, นี้ทานให้สมณีร้อยครั้งพัน 100, หนสู้ทานให้พระสงฆ์โดยสมมุติเหล่านี่แหละครั้งเดียวไม่ได้ uh huh. ทานให้พระสงฆ์ดีกว่าทานให้สมณีบัด น, นี้ทานให้สมณีเหมือนเอนี่ยเอทานให้พระสงฆ์ ลอยข้างพันหนุนสู้ทานให้ผู้ที่กําลังคนขัวเลยศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาตัวเองนี่แหละข้างเดียวไม่ได้บัดนี้ทานให้ผู้คนขัวหรือสแสวงหาธรรมะนั้นลอยคข้างพันหนสู้ทานให้บุคคลผู้ที่เป็นพระเดียบุคคลอยรอพระโสดาบันคคลนะั่งข้างเดียวไม่ได้ ทานให้พหบระโสดาบันบุกคลร้อยครั้งพันหุนอันนี้สงสุ่นสู้ทานให้พระสกีตาคาครั 100, 000, ้งเดียไม่ได้ทานให้พระสกีทาคาล้อยครั้งพันหุนอันนี้สงนุ่นสู้ทานให้พระอนาคามีครั้งเดียไม่ได้ทานให้พระอนาคามีเนี่ยร้อยครั้งพันหุนสู้ทานให้พระอรหันต์ครั้งเดียไม่ได้เลยทานให้พระอรหันต์เนี่ยร้อยครั้งพันหุน สู้ทานให้พระพุทธเจ้าข้างเดียวไม่ได้ทานให้พระพุทธเจ้าลอยคั้งพันหุนก็ยังสู้ทานให้พระสงฆ์ผู้ที่เป็นอัจฉริบุคคลข้างเดียวไม่ได้อันนี้ก็มีความหมายก้วงมากเราพิจารณาให้มันดีอย่างที่เรามาที่นี่มาศึกษาและมาปฏิบัติกําลังค้นคัวหาทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองแสดงว่าบางคนก็ได้พบได้เห็น บางคนก็ยังไม่พกไม่ได้เห็นพูดแล้วก็ไม่เข้าใจบางคนบางคนพูดแล้วก็เข้าใจแสดงว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์กันได้ทำให้หลักพระพุทธศาสนาเนี่ะมั่นคงถ้าวรนต่อไปนี่ว่าทานให้พระสงฆ์นั่นดีมากหากว่าเรายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเราฟังไปเซ่ยๆเราไม่ได้พิจารณาตัวเองหลวงพ่อก็เช่นเดียวกัน ฟังทีแรกเขายังไม่เข้าใจความจริงแล้วผู้ที่ทำให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรนนั่นแหละือเป็นพระสงฆ์แท้เราเคยสวดกันแล้วว่าสุปฏิปโนพระกวโตสาวกัสังโคแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระเมรุภาคเจ้านั้นอย่ไงไรปฏิบัติดีแล้วคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นแหละเป็นพระสงฆ์อุทุปฏิปโนพระวาโตสาวกสังโค สงสาวกของพระวิภาคเจ้านั้นบุไดปฏิบัติตรงแล้วคือปฏิบัติตรงต่อตัวเองปฏิบัติตรงต่อหน้าที่การงานของตัวเองหรือปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้ากัวอะไ้ยายญปฏิปันพระคัมโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระวิภาคเจ้านั้นบุไดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เราพูดบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนเข้าใจคาว่ารู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรคือละามาัดปฏิบัติให้มันรู้การเคลื่อนการไหวเพื่อจะจัดการความมืดคือความไม่รู้นั่นเองให้ออกไปเช่นเราไม่เคยรู้รูปลูน้ำไม่เคยรู้ว่าความคิดของตัวเองนี่แหละให้มันหมดไปให้มันรู้ลูปลูน้ำลู้ของมคิดตัวเองนี่แหละ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 กเพราะมีโมหะมีโภสะมีโลภะนี่เองเมื่อไม่พอใจน่ะรูป ก, กายดีมันไม่รู้แต่ตัวมันรู้คือเวทนารู้สัญญารู้สังคารรู้วิญญาณลูวิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้วิญญาณคือรู้นั่นเองไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วล่องลอยไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์หรือไปเกิดเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง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 สามสิบหกเกิดขึ้นอนาคตสามสิบหกในขณะเรานั่งเราพูดเราคุยกันนะ่ะเราไม่รู้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่สามสิบหกก็เลยอ่าเป็นตันหาร้อยแปดแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องปัจจุบันนี้เองดังนั้นการพูดการคุยกันนั้นดีเป็นบางอย่างบางอย่างก็นําความเสื่อมเสียมาทําความสับสวนวุ่นวายให้แก่ตัวเอง บางคนก็เป็นการรบกวนคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันจ้ะวะเราต้องพยายามทําความสงบความสงบนั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วนิ่งแขนคือทอนไม้ทอนฟืนไม่ใช่อย่างนั้นความสงบนั่นคือเราไม่ทําให้มันรบกวนคนนั้นคนนี้และทั้งไม่รบกวนตัวเองอีกด้วยจ้ะวะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทำเราได้ <c oughs>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 ก็มันก็ไม่สมกับที่เราว่ายายยะปฏิปันโนพระคาว่าโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพุภาคเจ้านั้นหมู่ใด<ม>ปฏิบัติเพื่อรู้ทาเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยมันออกจากทุกข์ไม่ได้อะไรจิ๋วให้เรารู้จักคำสวดตอนเศร้าตอนเย็นมาที่นี่บางทีก็ไม่ต้องการสวดให้มากเพราะว่าเราต้องการทาให้มากเพราะการสวด น, นั่นอะ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 ผู้ตัดสลู่ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันเราต้องรู้ต้องเข้าใจข่มเห็นข่มรู้คงเข้าใจนั่นก็เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าเดีว่าตัดสลู่ตามบันนี้เราให้ทานมาเท่าใดวันเท่าใดปีมาแล้วเรารู้ไหมเราเสาะข่มโลกข่มโกรธข่มหลงได้ไหมเรารักษาศีลมาเท่าใดปีแล้วเราทําสมาธิรามฐาน ยึดปัจนาภาวนามาเท่าใดปีแล้วเราละได้ไหมหรือเราหยุดเราเศราได้ไหมท่านท้าละไม่ได้หยุดไม่ได้เศร้วเลยก็เอาไว้ก่อนมาทําสิ่งนี้ลองดูหลวงพ่อเข้าใจว่าทําสิ่งนี้แหละที่มานี่แหละถึงยังไม่รู้ <ừ. S 1> ก็ได้ยินได้ฝังท่านพูดให้ฝังแล้วก็พยายามมันจะโกรธขึ้นมาไม่ได้ทุกแล้วผิดแล้วมันจะโกรธขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรเพราะโมหานั่นเอง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 มันก็เลยยึดเลยถือเทียงสองเล่มลูกหลานการทําวัดตาสองตามองสว่างหรือไหมเนี่ยแล้วก็สอนเขาหูสองหูฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเพียนสองเล่มจุดลงไปนี่หมายถึงอันนี้มันเป็นสมมตุติสอนเขาอย่างนี้เขาเผ้าหลายครั้งหลายหนเข้าใจเด็กน้อยก็เข้าใจหลักพุทธศาสนาได้ถ้าพูดบ่อยๆก็เข้าใจ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 อาหารตกไปในปากตัวเองแล้วลูกยื่นมือขึ้นมาเอาออกมาให้กินพอแม่ตายไปแล้วยังไปใส่ลายไปสีเรียกว่าถ้าพูดไปอย่างที่ตามควา่คิะลูกเป็นคนประมาทเป็นคนอกตัญญูเมื่อท่านยังยุดีมีแรงน่ะไม่คํานึงเลยเป็นอย่างไ น, นเมื่อท่านเจ็บใครได้ป่วยมาแล้วก็เอาไปห า, ากินข้าวบออย่างนั้นอย่างนี้มันจวนจะตายแล้วยังจะไปเลี้ยงท่าน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 จนถึงมีศีลมีธรรมเจ้าว่าตำนาท่านบอกว่ามีปฐมมาสานมีทุติยสานมีตัดติยสานมีจัตุทัสานมีปัญจมาสานท้านว่นปฐมมาสานท่านว่ามีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกขตานั้นอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ทุติยาสานเนี่ยท่านมีองค์สี่มีวิจารมีปีติมีสุข มีเอกขตาสินท่านอันนี้เป็นทูติญาสานแต่ิญญาสานก็มีองศาหนึ่งมีปีติมีสุขมีเอกขตาอยู่สี่เดย์คนยังไม่รู้เลยมีแต่พูดบนกันอย่างนั้นแต่ไม่รู้ความหมายจตุทัศน์มีองสองแบบนี้คือมีสุขกับมีเอกขตาปัญจมาสานก็มีองสอง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 ตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้นิพพานก็หมายถึงดับความทุกข์ดับความร้อนดับความสับสนวุ่นวายไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเนี่คือ น, นิพพานนิพพานจะบอกความเย็นอกเย็นใจไปไหนมาไหนเขาไม่เดือดร้อนถนนนิพพานบัด น, นี้หากภิกษุภิกษุนี้อุบาสกมัสกาอยู่โดยชอบ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 ถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าครู้นั้นดีแล้วแต่มันยังไม่มีประโยชน์ดังนั้นพระอรหันต์ก็หมายถึงปกติเั็นเองถ้าผิดปกติไปแล้วไม่เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้หนวงพ่อรัรบรองรับประกันคำพูดของตัวเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าพจนสอนเอาไว้ดีแล้วแต่เราไปเข้าใจลึกมากเกินไปเราต้องดูจิตใจอย่างที่ญาติโยมเนเพื่อนพิสูสมนเณร นั่งฟังผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้ในขณะนี้นี่นี่แหละคือปกติจริงๆถ้าผิดวันไหวไปจากนี้ก็ไม่ใช่ปกติแล้วนี่แล้วก็ต้องเห็นยังว่าพวกคนที่เคยพูดให้ฟังทุกเ้าทุกเย็นเพื่อทำความเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาครั้งสุดท้ายนี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ทุกมิถินิมิสัยทำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกม่ิถิหิมิสายก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละอยู่คู่มิถิหิมิสัยนั่งอยู่ที่ไหนก็มีมิถิหิมิสัยไม่ใช่ว่าทุกมิถิหิมิสัยเลยตัวคนไปยืนอยู่ที่ไหนก็แสดงว่าที่นั่นเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมให้รู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงอยู่กับทุกมิถิหิมิสัก็ตัวเรานี่เอง ดังนั้นที่หลวพ่อนํามาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปือนจิตตะกิ้ใจวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้วจะ ต, ตั้งอกตั้งใจทําเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง <c oughs> สีริฤทธินี่ซื้อไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่ได้จริงๆเราจะทุกข์หรือเราจะไม่มีทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราอยู่โดยความไม่รู้กับอยู่ด้วยความทุกข์ถึงจะมีเงินจากมื่นล้านแสนนั่งก็อยู่ด้วยความไม่รู้ก็ไม่ทุกข์อยู่นั่นเองไม่มีเงินจากสถานก็ตามอยู่ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยความเข้าใจแล้วก็แสดงว่าไม่มีทุกนั่นเอ ง, เ, องเป็นอย่างนั้นเอาแหละที่ผมเนื้ออัตมาได้ให้เขาคิดเป็นเครื่องเตือนจิตทกิจิใจหลังจากการทำวัดสวันนี้ก็เห็นว่าสมผลเจเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอากุลของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้า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 พุทธานุพุทธังสามารถสิริทิฏิผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศิลได้ทิฏฐิเสมอกันมีอันนี้พิแต่ไม่มืออันนั้นแต่มันคนละมุมกันบัด น, นี้ข้อที่สี่ทนว่าัะทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้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 ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาคืน